ช่วงที่พี่ชายบอกให้รออยู่ก่อนนะนเด็กก็รอสักพักไม่ไม่เห็นพี่ชายมาเพอเอินมีรถไฟมันแล่นผ่านมาจอดที่สถานีก็เลยขึ้นไปเลยขึ้นไปแล้วก็ไปนอนที่นั่นตื่นขึ้นมาทีก็พบกว่าถึงเมืองกาลกัตาแล้วเราไม่รู้จะทำยังไง หลงเลยนะคราวนี้พัดหลงกับพี่ชายบ้านตัวเองอยู่ไหนก็ไม่รู้สถานีชื่ออะไรก็ไม่รู้ก็เลยกลายเป็นเด็กเล่ล่อนอยู่แถวๆถวนั้นแหละคุยเขี่ยหาขยะหาของกินจากขยะตอนหลังก็มีคนไปส่งบ้าน สถานเด็ ก, กัมพา้าสถานเด็ ก, กัมพ้าก็ประกาศนะถ่ายรูปเด็กแล้วก็ออกประกาศโฆษณาตามหนังสือพิมพ์แต่ไม่มีประโยชน์เพราะพ่อแม่เขาอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้คนอินเดียนี่ย น, นะไม่อ่านหนังสือพิมพ์อยู่แล้วก็เลยไม่มีใครมารับตัวสุดท้ายก็มีชาวออสเตรเลีย มารับเลี้ยงเป็นเด็กเป็นลูกบุญธรรมก็เลยนะจากบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ออสเตรเลียแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนออสเตรเลียชีวิตก็น่าจะสุขสบายดีแต่ว่าตลอดเวลาเขาก็นึกถึงบ้านนึกถึงพ่อแม่ของเขา พอเขาอายุสักย0ิกว่าเนี่ยเรียนจบแล้วเขาก็พยายามที่จะสืบหาให้ได้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนแล้วเขาก็รู้นะว่าถ้าเขาบินไปอินเดียไปกาลกัตตาแล้วก็ไปเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยมันคงหายากมากเลยเพราะว่ารถไฟที่ มาเกลาตานี่มันก็มีเยอะมากนะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนดีก็ใช้วิธีที่มันรัดกว่านั้นก็คือใช้เทคโนโลยีนะซึ่งมันเพิ่งมีสมัยนี้คือ Google Earth แล้วก็เว็บไซต์นะก็เปิดดู Google Earth นะเริ่มตั้งแต่กกากัตาแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆตามเส้นทางรถไฟซึ่งมันก็คือหยายากมากมันเหมือนกับ งมเข็มในกองฟางเลยอมันยังดีหน่อยนะดีกว่างมเข็มในมหาสมุทรงมเข็มในกองฟางเพราะว่าหมู่บ้านในอินเดียแค่เฉพาะรัฐกาลกัตตารัศมีร้อยกิโลเมตรสองรอยกิโลเมตรหรือสามรอยกิโเมตรนี่มันเยอะมากนะเป็นพันเป็นหมื่นเลยแต่สุดท้ายนี่เขาก็เริ่มนะเห็นเริ่มละ เริ่มมาเห็นทางแล้วเพราะเขาเขาจําได้ว่าสถานีที่บ้านเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็ใช้เบาดแสเท่านี้เลยนะคือยังจําได้ว่าหน้าตาสถานีรถไฟที่บ้านเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วเขาใช้กูเกิลเนี่ยหาจนกระทั่งเริ่มเห็นอะไรที่มันคลัคลายคลับคลา อินเดียนี่มันโชคดีอย่างหนึง น, นะคือยี่สิบปีก็ยังไม่พัฒนายังไงก็อย่างนั้นนะ่ะถ้าเป็นประเทศอื่นหรือไม่แต่เมืองไทยยี่สปีคงจะเปลี่ยนไปเยอะนะขนาดสุกโตนี่คนไม่ได้เจอคนมาเมื่อสิปีที่แล้วพอมาถึงตอนนี้ก็โอหมันเปลี่ยนไปเยอะเลยแต่ที่โนนนี่สถานีรถไฟนะยี่สิบปีอย่างไรผ่านไปอย่างไรก็เหมือนเดิมก็เลยเริ่มนะ บินไปอินเดียแล้วก็ไป ก, กักคตาแล้วก็ค่อยไปตามสถานีที่เขาคิดว่าใช่พอไปถึงก็เออมันมันคล้ายกับที่เขาเขาเคยจำได้นะแล้วก็เริ่มนะหาหาบ้านก็เอารูปของเขาที่ติดในพาสปอร์ตสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมาให้คน แถวนั้นดูคนก็พอจำได้แล้วก็เลยในสุขพาเขาไปพบแม่ถึงแม้คุยกันไม่รู้เรื่องแนละ้วเพราะเขาลืมภาษาไปละวเขาลืมเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขานามสกุลอะไรเขารู้แต่ชื่อเป็นธรรมดาของเด็กกันนะรู้แต่ชื่อแต่ไม่รู้นามสกุลแล้วก็พอโตขึ้นก็ไม่รู้จักภาษาฮินดี รู้จักรู้จักแต่ภาษาอังกฤษก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะกับแม่แต่ว่าก็มีความสุขมากที่ได้กลับมาสู่บ้านเก่ากลับมาพบแม่ใช้เวลาถึง20ปีนะแต่ว่าก็นับโชคดีนะเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนี้คงตามหายากมากเพราะว่ามันไม่มีเทคโนโลยีอย่างเว็บไซต์หรือ Google Earth นะ อันนี้ก็ใช้เวลา2ี่ปีในการที่กลับไปตามพบบ้านเกิดแล้วก็พ่อแม่ดูเหมือนนานนะแต่ว่ามันก็เป็นไปได้สำหรับคนยุคนี้ยวนี้การค้นหาใครต่อใครนี่มันง่ายมากมันเร็วกว่าเดิมมากเมื่ออาทิตย์สองที่ที่แล้วเราคงได้ข่าวนะวัยรุ่นชาวอังกฤษเขา ตามหาผู้มีพระคุณที่เคยช่วยเขาตอนเกิดสึนามิที่ภูกเก็ตน ะ, ะเหตุการณ์ตอนนั้นนี่เขาอายุแค่สองคนนี้อายุแค่12บสองกับ16บแล้วก็โดนคลื่นสึนามิเล่นงานก็พัดหลงกับแม่ก็เลยนะไป อาศัยความช่วยเหลือของคนไทยสองคนเป็นสามีภรรยาตอนนั้นพ่อกอ็ไปด้วยอยู่ด้วยตอนหลังพ่อแม่ตายเราก็พาศพแม่กลับบ้านในช่วงนั้นมันชลมมุนมากนะสามีภรรยาคู่นี้ก็ช่วยเหลือทุกอย่างรวมทั้งขับรถพาไปขึ้นเครื่องบิ น, น, น, นที่สวนนภูมิเพราะว่า ทีู่เก็ตนี่เครื่องบินมันจราจอมันขับข้างยากมากแล้วก็นับจักนั้นเขาก็ไม่ไม่ได้เห็นหน้าผู้มีพระคุณสองคนนี้เลยจำได้แต่ชื่อนะแล้วก็ล่วาอยู่ที่ภูเก็ตแล้วทำงไงถึงจะค้นหาเจอนะเขาก็ใช้วิธีเขียนข้อความลง Facebook ตามหานะประกาศ แค่นี้แหละนะว่ามีแค่รู้แค่ชื่อชื่อ น, ะนามสกุลก็ไม่รู้เราก็รออยู่ที่ภูกเก็ตก็มีคนแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เผยแพร่กันไปต่อๆกันไปแค่วันสองวันชนะเจอแล้วนะรู้แล้วเป็นใครแล้วก็เลยบินมาเพื่อมาขอบคุณมึงครบ10ปีพอดีนะปีนี้ าตามหาคนไม่รู้จักรู้แต่ชื่อเดี๋ยวนี้ก็เจอได้ไวมากแค่วันสองวันอันนี้เป็นเพราะอำนาจของเทคโนโลยีนะแต่แปลกนะไอการตามหาคนอื่นนี่มันง่ายแต่สิ่งที่มันยาก <c oughs> ก็คือตามที่หาตามคนเพื่อจะพบตัวเอง การตามหาตัวเองนี่มันจะว่าไปแล้วเนี่ยมันน่าจะง่ายนะเพราะว่าอยู่กับตัวเองยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่คนจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยผ่านไปปีแล้วปีเล่านะก็ยังไม่พบตัวเองเลยแต่ว่าสามารถที่จะตามหาใครต่อใครเจอได้โดยใช้เวลาไม่นานทั้งทั้งที่ไอ ก, การตามหาคน หรือการตามหาบ้านเก่านี่มันน่าจะยากกว่าอย่างเรื่องที่เล่าเนี่โอ้มันน่าจะยากมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีก็ช่วยทําให้เราตามหาอะไรต่อได้ได้เจอเมื่อจะเป็นผู้มีพระคุณเมื่อจะเป็นเพื่อนเก่าไม่ว่าจะเป็นบ้านเกิดหรือพ่อแม่แต่ว่าสิ่งที่ยังเหมือนเดิมคือการตามหา หรือการค้นพบตัวเองอาจจะยากกว่าเดิมได้ซ้ำส่วนหนึ่งก็เพราะเทคโนโลยีนั่นแหละอย่าง a c e b o o กนี่ก็ทำให้คนนี่หลงตัวลืมตนได้เยอะเลยนะในแง่นึงก็ช่วยทำให้ตามหาใครต่อใครได้ง่ายมากเพื่อนเก่านะบ้านเก่าแต่ว่ากลับทำให้ห่างไกลเหินห่างจากตัวเองมากขึ้นทุกทีทุกที เช่นนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะ a c e b o o k นะอย่างอื่นด้วยมันก็เหมือนกันมันก็พาผู้คนในเฮือนห่างจากตัวเองจริงๆแต่ว่าไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้นนะบางทีคนที่อยู่ใกล้ตัวก็เหินห่าง ก, กันเพราะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้คนที่ใช้ facebook นี่เขาก็ไม่ค่อยได้คุยกันกับคนใกล้ตัวเท่าไหร่เขารู้จักนะผู้คนที่อยู่ไกลออกไป ข้ามประเทศข้ามทวีปก็รู้จักติดต่อกันดีแต่คนในบ้านไม่คุยกันโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันนะมันก็เชื่อมให้ผู้คนได้รู้จักกันกว้างขวางประเภทว่าโลกไม่มีพรมแดนแล้วแต่ว่าคนในบ้านพี่น้องพ่อแม่ไม่คุยกันแล้วก็เหินห่างกันดีขนาดคนใกล้บ้านนี้ก็ยังเหินห่างนะ นับปสากับตัวเองก็ยิ่งเหินห่างเข้าไปใหญ่เพราะว่าถูกดึงให้หลงออกไปนอกตัวอาการค้นหาอะไรก็ตามนี่มันก็สําคัญนะแต่ว่าการค้นพบตัวนี้ก็สําคัญยิ่งกว่าเจออะไรก็ตามแต่ว่าไม่เจอตัวเองไม่ค้นไม่พบตัวเองนี่มันก็เหมือนกับว่าเรา ปล่อยเวลาลาผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ก็ว่าได้มีของดีแล้วก็ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เสียของเกิดมาทั้งทีอย่างน้อยก็น่าจะได้รู้จักตัวเองได้นคนพบตัวเองเดีอยนี้ผู้คนเนี่ยลืมตัวมันก็ลืมของเลยนะลืมของแล้วก็หาไม่เจอ ผู้คนสมัยนี้จานวนมากก็ลืมตัวเองแล้วก็หาตัวเองไม่พบแล้วพอหาตัวไม่พบแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตมันก็เหมือนกับสวะที่ล่องลอยไปตามกระแสสุดแท้แต่ว่าจะมีสิ่งเราอะไรปล่อยช่วยไปตามกระแสวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยเนี่ย เดีนะ๋ยวนี้เป็นทุกเพียงแค่ว่าเพื่อนไม่กดไลค์ให้อัพโหลดในหรือเขียนสเตตัสใน Facebook แล้วไม่มีใครกดไลค์โหทุกมากเลยไอไม่กดไลค์นี่ก็หนักแล้วนะมันดันมาเกียนคอมเมนต์อีกนะยิ่งแย่เลยนะแล้วเด็กเดี๋ยวนี้นะอาจจะผู้ใหญ่ด้วยก็ได้เนะีนะ่ยชอบนะ ชอบมาในการที่จะรวบรวมปริมาณการกดไลค์แต่ว่าไม่เอานะอคอมเมนต์นะขอได้ไหมกดไลค์อย่างเดียวไม่เอาคอมเมนต์นะมันไม่ได้นะเพราะว่าพอขึ้นเฟซบุ๊กแล้วนะมันเป็นที่สาธารณะแล้วมันก็ต้องมีทั้งไลค์แล้วก็ไลค์คือถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ซึ่งส่วนใหญ่ก็แสดงความเห็นวิจารณ์เอาไลค์แต่ไม่เอาคอมเมนต์นี่มันเหมือนกับว่าเล่นกีฬานะ จะเอาแต่ชนะไม่ยอมแพ้เป็นไปไม่ได้หรือจะเอาอยากจะได้แต่ไม่ยอมเสียมันเป็นไปไม่ได้สารเสริญกับนินทาเป็นของคู่การเจ้าแต่คำสารเสริญแต่ไม่เอานินทาหรือไม่เอาคำตำหนิเป็นไปไม่ได้มันไม่ต่างจากเอามือขวาไม่เอาเอาเอ่อเอาหลังมือแต่ไม่เอาหน้ามือ หลังมือกับหน้ามือมันของคู่กันอยากได้หน้ามือไม่เอาหลังมือเป็นไปไม่ได้อยากได้หลังมือแต่ไม่เอาหน้ามือก็เป็นไปไม่ได้งนั้นถ้าอยากได้ไลค์ก็ต้องยอมที่จะต้องเจอคอมเมนต์บ้างแต่ในสิ่งเหล่านี้นี่มันกลายเป็นเครื่องสร้างความทุกข์แก่ผู้คนจานวนมากเพราะไปไปหลงอยู่กับสิ่งนอกตัวแบบนี้ไปหลงอยู่กับความรู้สึก ของผู้คนว่าเขามองเราอย่างไรนีอันนี้ก็เป็นอาการคนที่ไม่พบตัวเองไม่รู้จักตัวเองเพราะถ้ารู้จักตัวเองแล้วนี่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะมีความสําคัญน้อยมากคําพูดหรือว่าปฏิกิริยาไม่ว่าจะเป็นไลค์หรือคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นค like ําคสรรเสริญนินทามันจะสร้างความทุวยกับเราน้อยมากแต่เดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยเอาความสุขความทุกไปผูกติด ก, กับภายนอก ไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริย์ของผู้คนหรือว่าจะเป็นข้าวของนะทรัพย์สมบัติชื่อเสียงท่ง น, นที่สุดที่จริงนี่มันอยู่ที่ใจถ้าคนพบตัวเองเนี่ยมันจะมันจะไม่มีอนะความรู้สึกทุกทรมานแบบนี้คนพบตัวเองนี่มันมีหลายระดับนะการค้นพบตัวเองหรือการรู้จักตัวเอง ความหมายแรกคือง่ายๆคือเห็นหน้าตัวเองเห็นเงาตัวเองในกระจกแล้วก็รู้ว่าเนี่ยใช่เราไม่ใช่คนอื่นอันนี้เป็นความสามารถพื้นฐานของมนุษย์แล้วก็สัตว์บางชนิดเช่นละิงโลมานี่ถ้าเอากระจกสองหน้านมันรู้นะว่าไอ้เงาในกระจกนี่คือมันคนเราก็เป็นอย่างนั้นนะทารกใหม่ๆยังทําไม่ได้นะแต่พอ พอโตขึ้นสักพักนะอายุไม่กี่เดือนก็พอจะรู้แล้วเอ อ, อที่เห็นในกระจกนั่นคือฉันแต่ถ้าเป็นหมาเป็นแมวนี่มันอาจจะไม่รู้นะว่าไอ้นั่นนหะคือตัวมันไอ้ที่เห็นในกระจกคือตัวมันอันนี้เราไม่รู้จักตัวเองในความหมายที่หยาบที่สุดรู้จักตัวเองในความหมายต่อมาคือรู้ว่าตัวเองถนัดอะไรชอบอะไรนนี่เป็นปัญหามากนะ หลายคนเรียนมหาวิทยาลัยโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรเลยไอ้ที่เรียนคณะนี้ก็เพราะพ่ อ, พอแม่แนะนำหรือเพราะว่าตกกระไดพากะโจนเพื่อนเพื่อ น, นเรียนคณะนี้เราก็เรียนบ้างเพื่อนหาไปเรียนวิศวะเราก็ไปเรียนบ้างแต่ก็ไม่รู้ตัวเองชอบจบมาแล้วนี่ยังไม่รู้ว่าจะมีอาชีพอะไรเลยพ่อแม่ก็ปวดหัว เคยมีพ่อแม่มาถามว่ามีปัญหาว่าลูกจบมาแล้วไม่รู้จะทำอาชีพอะไรเพราะว่าไม่รู้ตัวเองชอบอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรไอ้สองอย่างนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะชอบอะไรแล้วก็ถนัดอะไรเนี่ยแต่ว่าคนจำนวนมากทีเดียวไม่น่าเชื่อไม่รูนะ้ขนาดเรียนจบแล้วนี่เรียกว่าอไม่รู้จักตัวเอง แม้กระทั่งในเรื่องที่พื้นฐานมากรู้จักตัวเองความหมายนึ่งคือหรือที่ลึกลงไปคือรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองต้องการอะไรบางคนนี่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะยังไม่เรียน ต, ตัวเองต้องการอะไรอย่างแท้จริงไอ้คิดอย่างง่ายๆคือกาเช่นบางคนเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยผู้หญิงคนเนี้คือคนที่ใช่แล้วก็แต่งงานด้วยพอแต่งงานอยู่กันไปสักพัก ก็บอกว่าไม่ใช่แล้วเนะอีกคนหนึ่งใช่กว่านะยอมทิ้งผู้หญิงคนเดิมเพื่อไปหาผู้หญิงคนใหม่คนนี้ใช่แน่แต่ว่าคบกันไปมีความสุขกันไปสักพักไม่ถึงปีทิ้งกขาไปแล้วบางทีงไม่ใช่ทิ้งเฉยนะัดทีเข้าไปเลยไม่ใช่แล้วเขาไม่ยอมผู้หญิงไม่ยอมก็สู้กันบางทีตกตีกันไอ้ที่เคยรักดูดดื่มถึงขนาดที่เรายอมทิ้งคนแรกเพื่อมาเอาคนนี้ใช่แน่นอน ตอนนี้ทะเลาะกันตบเตีแนละ้วเพราะมีคนใหม่มานะอย่างที่เป็นข่าวนะซ้ำแล้วซ้ำเล่านะไม่ใช่เฉพาะดาราไม่ใช่เฉพาะคนรวยคนอื่นกะ็คนจำนวนมากก็เป็นแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีทางเลือกที่ง่ายอย่างพวกคนรวยนะที่เขาทาอะไรก็ดูไม่ผิดนะดูดีไปหมดมันก็น่าแปลกนะรักคิดว่าใช่แล้วคนที่แน่นอน เสร็จแล้วก็ทิ้งไปเพื่อเอาคนใหม่ผ่านไปห้าเดือนหกเดือนไม่ใช่ละถีบไปทิ้งไปหาคนใหม่เป็นอย่างนี้ห้าหกครั้งเจดแปดครั้งก็ยังไม่เคยถามตัวเองเว่าเฮ้ยจริงๆนี่มันเราผิดปกติหรือเปล่าก็ยังวนเวียนอยู่กับวัตจักรแบบนี้แล้วก็ถามว่ามีความสุขก็ไม่มีความสุขตกเป็นข่าวให้ผู้คนวิจารณ์ลินทา แต่ก็ไม่เคยเฉลียวใจเลยว่ามันมีความผิดปกติอะไรในใจเราไหมที่ทําให้เราทําอย่างนี้นะถ้าเขาเฉลียวใจเขาจะพบว่าเออมันลึกๆนี่เราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรนะไว้เรื่องก็เป็นอย่างนี้เยอะนะนะ น, นี้เป็นปัญหาคนยุคนี้เลยก็ว่าได้คือไม่รู้วตัวเองต้องการอะไรนะ ไอสิ่งที่ต้องการไปเป็นความฉาบฉวยชั่วคราวนะเป็นความต้องการนะทางกายมากกว่านะกายมันมีปฏิกิริยาทางเคมีกับคนนี้คนนั้นกับผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายคนนั้นก็เอาละนะพอแสบสมไปสักพักเบือ่อก็ปฏิกิริยาเคมีมันเปลี่ยนนะฮ อ, อกซีท็อกซินมันมันเริ่มเสื่อมไปแล้วออกซีท็อกซินคือ ฮอร์โมนที่ทําให้เกิดความผูกพันกันพอมาเริ่มเจอจางไปไปหาคนใหม่ดีกว่าใช้ชีวิตไปตามอํานาจของฮอร์โมนนะหรือว่าปฏิกิริยาเคมีในร่างกายเนี่ยถ้าเกิดมาเป็นมนทั้งทีนะมันปล่อยชีวิตไปตามกระแสตามอํานาจของฮอร์โมนหรือตามอํานาจของสิ่งเ้ามันก็ไม่ต่างจากไม่ต่างจาก ออกหน่นะที่ไหลไปตามกร ะ, สะแสน้ำนะงั้นถ้าเรารู้จักตัวเองแท้จริงเนี่ยนะมันก็จะรู้ว่าอะไรคือสิ่งเราต้องการจริงๆมันไม่ใช่สิ่งเราภายนอกที่ให้ความสุขเพียงแคร่โชครั้งโชคคราไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นคนนี้นะที่ปนเปลือกกิเลสเราไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่ที่เสียงเกติยศนะแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันเป็น ความสงบภายในที่ทําให้เกิดความสึกเต็มอิ่นไม่รู้สึกพร่องสิ่งต่างๆเนี่ยมันที่เราแสวงหาเนี่ยมันลดแต่พร่องมันลดแล้วแต่ไม่สามารถเติมเต็มความสุขให้กับเราได้อย่างแท้จริงเพราะตัวมันเองมันก็คงอยู่ไม่ได้นานตัวมันเองก็พร่องพร่องนี่ก็เป็นชื่อหนึ่งของหรือเป็นคุณลักษณะหนึ่งของความทุกข์นะคือมันพร่องมันไม่สามารถที่จะทําให้เกิดความสมบูรณ์ได้ ไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟคร้อยปอร์ซอย่าง น, น้อยๆเนี่ยมันก็ต้องเสื่อมไปตามกาลเวลาไม่ช้า ก, ก็เร็วรู้จากตัวเองหรือคนพบตัวเองเนี่ยในระดับที่ลึกลงไปก็คือการที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่แค่รู้ว่าต้องการอะไรเท่านั้นแต่รู้ว่าทุกข์เพราะอะไรโดยเพราะความทุกข์ใจ เห็นร่างเง่าของมันว่ามันอยู่ที่ใจเรามันอยู่ที่ความรู้สึกผักใสความรู้สึกปฏิเสธซึ่งก็เชื่อมโยงไปความรู้สึกยึดติดถือมัน่นให้ความยึดติดถือมันกับการผักใสนี่ดูเหมือนตรงข้ามนะันแต่อันเดียวกันเลยมันมันคู่กันนะมือกับหน้ามือกับหลังมือ เราเกลียดอะไรเราไม่ชอบอะไรจากผักใสอะไรใจเราก็จะนึกถึงสิ่งนั้นนะนึกแล้วนึกอีกแล้วก็มีรสชาติกับมันด้วยหลายคนบอกไม่ชอบความทุกข์แต่พอจมอยู่ในความทุกข์แล้วนี่มันไม่อยากสลัดออกไปนะบางทีมันรู้สึกว่ามีรสบีชาตด้วยซ้ำอย่ามีเพื่อนคนหนึ่ง เป็นผู้หญิงเขาได้จดหมายจากผู้ชายที่เขาแอบชอบอยู่สมัยนั้นมันไม่มีอีเมลนะมันก็มีแต่จดหมายแต่ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้มีใจให้เธออย่างที่เธอต้องการเธอก็เศร้าซึมรอหวางที่เศร้าซึมอยู่นั้นเนี่ยก็มีเพื่อนมาหามาเรียกที่บ้านนะมาเรียกตะโกนเรียกที่บ้านเอากดกลิ่นด้วยนะชวนไปเที่ยว ความสุขแรกที่เกิดขึ้นในใจของเธอคือไม่ชอบนะไม่พอใจงั้นเธอขึ้นนึกขึ้นมาในใจไว้นเนี่ยเวลาจะสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกขนะ์ก็ยังมีคนมาลังควานอีกนะเวลาทุกข์ก็ยังมีคนมารบกวนอีกนะคืออยากจะทุกข์นะอยากจะเศร้าซึมนะไม่อยากใครมารบกวนเพราะว่ามันมีรสมีชาตนะิไม่ชอบทุกข์นะไม่ชอบความเศร้าแต่ว่า บางทีก็ยังยึดยังหวงแหนความเศร้าอยากจะจมอยู่ในความเศร้านั้นเวลาคนเศร้าๆนี่ก็อยากฟังเพลงอะไรนะก็อยากฟังเพลงสนุกสนานหรือเปล่านะก็อยากฟังเพลงคืนความสุขให้ประชาชนไหมอ่ะก็อยากฟังเพลงเศร้าอยากฟังเพลงเศร้าๆเพราะมันมีรดมีชาติทั้งที่ไม่ชอบความเศร้านะแต่ก็ยังรู้สึกอยากจะจมอยู่ในความเศร้านั้นอันนี้เรียกว่า ยิ่งลักษายยิ่งจะติดนะั้นอย่าไปโทษนะอย่าไปโทษใครนะต้องกลับมาดูใจของเราอันนี้ก็พูดไปแล้วเมื่อวานนะว่าอารมณ์ความรู้สึกความคิดนะต่างๆเนี่ยในใจเราต่างหากที่มันทำให้เราทุกข์นะถ้าเป็นทุกข์กายนี่ก็อาจจะเป็นเพราะปัจจัยภายนอกแต่ถ้าทุกข์จะทุกข์ใจแล้วนี่ มันเป็นเพราะความสึกนึกคิดในใจที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ทันถ้าถ้รู้จักตัวเองเนี่ยมันจะรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้แล้วก็ไม่ปล่อยให้มันมาครอบงําใจคนที่พบตัวเองเนี่ยเขาจะการคบตัวเองได้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีสติมีความรู้ตัวจิตอยู่กับเนื้อกับตัวถึงจะรู้จักตัวเองได้นะถ้าลืมตัวแล้วเนี่ยก็ยากที่จะ รู้จักตัวเองได้ลืมของนี่ยังมีโอกาสเจอได้ในเร็ววันแต่ถ้าลืมตัวนี้บางทีจะช้ามากเลยบานะงคนอยู่ทั้งชีวิตนี่ยังไม่รู้เลยต้องการอะไรได้ฟังเรื่องราวของราชาของอินเดียคนหนึ่งนะนะยิ่งใหญ่มากแต่ว่ายิ่งใหญ่ในทางลายนะ คือเอารังเซปเอารังเซปนี่ก็ประมาณสักสองสปีที่แล้วพวกเร า, า จ, จะไม่คุ้นชื่อนี้แต่ถ้าถ้าพูดถึงแต่ถ้าพูดถึงพ่อเขาชาชาหานเนี่ยอาจจะพอนึกออกชาชาหานนี่เป็นคนที่สร้างทัชมาฮาลทัชมาฮาลนี่มันยิ่งใหญ่มากสร้างโดยชาชาหานเพื่อเป็น อ, อนุสรณ์ให้กับเมียที่เขารักมุมตัดนะแต่ว่าชาชาหานนี่ไม่ชอบเอารังเซป ซึ่งเป็นลูกชายไม่ยออไม่ยกสมบัติในหะ้เอาลองเซฟก็เลยทํายึดอานาจจากพ่อจับพ่อไปขังเหมือนกับพระเจ้าชาสตรูจับพระเจ้าพิมพิสารไปขังแล้วก็ต่อไปก็ต่อมาก็ฆ่าพ่อใช่พระชาัตูก็ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารเอาลองเซฟก็ฆ่าชาชาฮันเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นคนที่บ้าอำนาจมากแล้วก็เป็นคนคลั่งศาสนาทําลายศาสนาทำลาย บวราสถานศานสนาสถานของศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูเพราะตนเป็นมุสลิมแล้วก็ขยายอาณาเขตมากสร้างสงครามขยายดินแดนไปอย่างกว้างขวางเกือบถึงลังกา อ, อินเดียอินเดียใต้เรียกว่าพรั่งพร้อมด้วยอำนาจด้วยความยิ่งใหญ่แล้วก็ยุยืนนะ เป็นคนที่เรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตก็ว่าได้ท้าในแง่ของทรัพย์อำนาจสุขภาพอายนะุนี่พูดตามมาตรฐานชาวโลกแต่ไม่มีความสุขวันสุดท้ายตอนใกล้ๆตายนี่เขาพูดกับลูกชายเขาว่าเนี่ยฉันมาแล้วก็ฉันฉันมาแล้วก็ฉันไปนะเหมือนคนแปลกหน้า ฉันไม่รู้ว่าฉันคือใครและกําลังทําอะไรอยู่ขณะยุคแปดสิบแปดนะยังถามคําถามนี้เลยว่าฉันไม่รู้ว่าฉันคือใครและกําลังทําอะไรอยู่นี่เป็นเรื่องคนที่เรียกว่าประสบความสําเร็จมาอย่างมากมายนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นความสําเร็จทางลายนะฆ่าฟันผู้คนมากสร้างความชิดหายกับผู้คนมากมายจตสุดท้ายก็ไม่รู้ตัวเองต้องการอะไร ไม่รู้ว่าตัวเองคือใครและกำลังทำอะไรนี่พอหลงจมอยู่ในโลกธรรมนะพอหลงจมอยู่ในโลกธรรมแล้วก็ลืมตัวเมื่อลืมตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครนะแล้วคนเราถ้าลืมตัวนะมันก็ลืมอะไรอีกเยอะนะนะแม้จะลืมชั่วคราวก็อาจจะมาถึงการลืมสิ่งสำคัญได้ ระยหลังเนี่ยพวกเราคงได้คราวนะพวกคนขับรถที่ลืมเด็กไว้ในรถนะเมื่อที่ที่แล้วก็มีนะคนขับรถโรงเรียนรับเด็กนักเรียนมาแล้วนะไปส่งที่โรงเรียนแต่ว่าลืมเด็กคนหนึ่งไว้ในรถเพราะเด็กเขาหลับบางทีหลับหลังแคปนั่นเองนะแล้วตัวเองก็ลืม ที่ลืมเด็กก็เพราะว่าใจลอยไปนึกเรื่องโน้นเรื่อง น, อนี้พอลงจากรถก็ไม่ตรวจดูรถให้ถี่ถ้วนว่าในแคปนี้มีเด็กหรือเปล่าก็ปล่อยให้เด็กเนี่ยอยู่ในรถรถมันก็ตากแดดถูกแดดเผาสามสี่ชัว่วโมงเด็กก็ตายแล้วเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากเมื่อหลายปีก่อนก็มีนายเทศมนตรีคนหนึง ทุกวันก็จะมีเพื่อนบ้านเนี่ยพาลูกน้อยเนี่ยไปส่งที่โรงเรียนอนุบาลซึ่งอยู่ใกล้ๆกับที่ทําการเทศบาลแล้ววันหนึ่งแม่ไม่แม่ของเด็กไม่ว่างก็บอกให้นายเทศมนตรีช่วยพาลูกไปส่งด้วยที่โรงเรียนอนุบาล น, นายเทศมนตรีก็รับปากแต่ว่าในขณะที่ขับรถนี่ใจก็นึกถึงการประชุมแล้วก็วันนั้นรถก็ติด เนะพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอถึงพอถึงเทศบาลเนี่ยมันก็สายแล้วใจที่นึกถึงแต่การประชุมก็ทำให้นะลืมเด็กพอถึงเทศบาลก็รีบลงจากรถวิ่งขึ้นไปที่ทำการเพื่อประชุมประชุมถึงเที่ยงก็ทำงานต่อจนเย็น แล้วก็กลับลงมาที่รถเพื่อกลับบ้านนะกลางทางขณะที่ยังไม่ถึงบ้านก็มองกระจกหลังอ้าเห็นเด็กเพื่อนบ้านฝากลูกเอาไว้ลืมมาไปส่งรีบลงจากรถไปดูว่าเด็กเป็นยังไงพราะว่เด็กตายแล้วนะแม่บางคนก็นะเอาลูกใส่รถเพราะว่าไม่มีใครดูแลลูก แลตัวเก็ต้องไปซื้อของก็ลูกเอาลูกเกทียนใส่รถเบาะหลังแล้วตัวเองก็ไปห้างสรรสินค้าไปจอดเอาไว้นะตรงลานโล่งแล้วก็รีบลงไปเพื่อที่จะไปซื้อของมีเมนูมีรายจ่ายมีสิ่งที่ต้องซื้อต้องซื้อเยอะมากใจนี้หมกมุ่นอยู่กับการที่ซื้อของลืมลูกเอาไว้ข้างข้างหลังรถเบาะหลัง มาเจอลูกที่ตอนกลับมาจากการซื้อของแล้วโอ้ลูกนี่อยู่ในรถถูกแดดเผาตายไม่อนกนเรื่องอสงค ก, กรรมอันนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะลืมตัวพอลืมตัวแล้วอาการลืมโน่ลืมนี่ไ ม, มไม่ใช่แค่ลืมกุญแจรถไม่ใช่แค่ลืมกระเป๋าบางทีลืมลูกเอาไว้ลืมเด็กเอาไว้ก็เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นความเป็นความ เป็นส่วนสงนาตกรรมนะที่เกิดจากความพลังเผล อ, อาการลืมตัวนี่มันน่ากลัวมากเลยนะถ้าลืมตัวแล้วนี่ไม่ใช่ตัวเองเดือดร้อนอย่างเดียวบางทีคนอื่นเดือดร้อนด้ว ย, ยงั้นกลับมารู้จักตัวเองกลับมารู้ตัวนะกลับมารู้สึกตัวนี่สําคัญมากแล้วมันช่วยทําให้ชีวิตของเรานี่มีความพลังเผล่พลังพลาดน้อยลงและ สามารถจะใช้ชีวิตเราให้เกิดประโยชน์ทำให้พบความสุขทำให้เราสามารถที่จะสร้างสารรค์สิ่งต่างได้มากมายแล้วก็พอสมควรแก่เวลาแลวอ่า